ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโบราณาคดีเหล่านั้นจ้างให้ผมนําไปสํารวจและค้นหาแหล่งที่พบขวานหินเหล่านี้ผมก็พาไปขุดค้นมาได้กระบุงใหญ่ๆฝรั่งเหล่านั้นก็ขนกลับไปเมืองนอกเรื่องมันก็เงียบไปจนกระทั่งปรากฏเป็นข่าวโลกออกมาทางหน้าหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเกี่ยวกับการสํารวจพบแหล่งมนุษย์หินพร้อมทั้งหลักฐานในป่าเมืองการประเทศไทยเจ้าพวกนั้นดันผ่าระบุชื่อผมในฐานะพรานนําทางซะด้วยทางกรมศิลป์ก็เลยเต้นโกราหันกันเป็นยกใหญ่ ทั้งที่ตลอดเวลามาไม่เคยสนใจและร้ายที่สุดก็คือจะเล่นงานเอาคดีมาใส่ผมให้ด้วยในข้อหาว่านําฝรั่งไปค้นหาโบราณวัตถุอันเป็นสมบัติหรือทรัพยากรชาติอะไรเทือกเทกนี้แหละทั้งที่ตลอดเวลาก่อนที่ฝรั่งจะเอาไปทําเป็นข่าวตื่นเต้นกันนั้นพวกนักเตือนป่าพื้นเมืองไปค้นพบกันมาก่อนแล้วนักต่อนะักและก็ขนกันเอามาคว้างทิ้งเล่นเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เห็นว่ามันจะมีราคาค่างวดอะไรเลยนอกจากเศษหินรูปร่างแปลก กรมศิลเพิ่งจะมาแสดงความหวงแหนและรู้ว่ามันมีค่าก็ตอนที่พวกนักโบราณคดีของโลกเขามาสํารวจกันนี่แหละก่อนหน้านั้นเขาก็คงเห็นว่ามันเป็นไอเศษเหินภูเขาธรรมดาเท่านั้นเองจากคําพูดเรื่อยๆของจอมพานชัยยันกับดารวินก็มองเห็นชัดขึ้นมาทันทีว่าสิ่งที่มาเรียฮอฟมันบอกนั้นพอจะมีเขาแห่งความจริงขึ้นมาแล้วต่างหันกลับไปเจ้าหน้าแม่มสาวเป็นตาเดียวเม่ น่าจะสันนิษฐานได้ถูกแล้วถ้าจะพิจารณาจากสิ่งที่พานใหญ่เล่ามานี่แต่ฉันก็ยังมองไม่เห็นเขาเลยว่าใบหินอันนี้มนุษย์ยุคนั้นจะเอามาประกอบเป็นขวานได้อย่างไรเพราะมันเป็นตัวใบหินตันๆไม่ได้เจาะหรือเชาะรูไว้สําหรับให้ประกอบสวมกับด้ามเพื่อจับได้เลยอีกอย่างหนึง่งหรือส่วนแบนตรงนี่ดูลักษณะว่าฝนไวบางก็จริงแต่มันก็ไม่ได้มีความคมอะไรมากนะักจะตัดหรือหั่นะอะไรเข้าหรอ เธอต้องนึกถึงปัญญาและความฉลาดของมนุษย์สมัยต้นประวัติศาสตร์ด้วยว่ายังไม่ก้าวหน้านะักเท่าที่สามารถดัดแปลงหินออกมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ก็จับว่าดีเยี่ยมแล้วมาเรียอธิบายโดยเร็ว พวกนั้นยังไม่ฉลาดพอที่จะเจาะหรือเสาะใบขวานให้สวมติดกับด้ามได้อย่างแน่นกระชับเหมือนขวานสมัยยุคหลังๆนี่วิธีประกอบด้ามของเขาทำกันอย่างง่ายๆคือหาไม้มาประกบติดกับส่วนที่เป็นสันอันยาวแหลมยื่นออกมานั่นแล้วใช้หวายหรือเถาวันมัดไว้อีกทีหนึง่งซึ่งมันจะกลายมาเป็นอาวุธได้ดีกว่ามือหรือไม้หรือก้อนหินกลมๆที่ใช้กันอยู่ตามเดิม ส่วนในด้านความคมก็เหมือนกันจะให้คมเหมือนโลหะย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ขอให้สังเกตถึงความแกล่งของมันเมื่อใช้ฟันลงไปแรงๆมันก็จะเข้าเนื้อได้เหมือนกันไม่เชื่อเธอลองเอากระแทกเฉือนบางๆกับเนื้อมันจะบาด ท, ทันทีแล้วหล่อนก็เหลียวไปมองรอบๆตัวพึ้นพามออกมาว่า เคยมีมนุษย์ถ้มอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วเมื่อสี่หรือห้าหมื่นปีภายวันถ้าไม่เสียเวลามากเกินไปนะับช่วยพาฉันเข้าไปตรงที่คุณพบขวานหินอันนี้หน่อยเถอะฉันจะลองค้นหาดูเชื่อว่าจะต้องพบอะไรอีกแน่นอนก่อนที่รบพินหรือใครจะเอ่ยออกมาเช่นไรต่อไปนั้นช่วยถาผู้เดินแยกสำรวจหายเข้าไปทางซอกคูหาฝั่งตรงข้ามก็โผล่ร่างอันสูงใหญ่ก้าวเข้ามาสมทบสะพายไรยเฟริลไว้กับไหล มือทั้งสองคว่ำเบื้องหลังคล้ายๆจะถืออะไรซ่อนไว้ชา ย, ยันก็ส่งควานหินพร้อมทั้งบอกเล่าให้ฟังในสิ่งมหัศจรรย์ที่คนพบแต่อ้าปากได้เพียงคําเดียวหัวหน้าคณะก็สอดแทรกขึ้นฐานควานว่าฉันได้ยินตลอดแล้วล่ะเรื่องที่พูดกันนะ่ะและเรื่องขวานยุคหินฉันก็คือได้ฟังมาก่อนตอนที่ฝรั่งไปพบที่เมืองกาลเพราะฉะนั้นไม่เป็นปัญหาหรอกเมเข้าใจได้ถูกต้องแล้วแต่ดูอะไรนี่นะ่ะฉันมีมาอวดเหมือนกันกล่าวจบ อดีตท่านทูตฐานบุกก็ยื่นมือขวาออกไปตรงหน้าของทุกคนเมื่อสิ่งนั้นปรากฏชัดกับสายตา ท, ทั้งหมดที่รวมกลุ่มกันอยู่ก็อุทานออกมาด้วยความประหลาดใจอีกครั้งสิ่งที่อยู่ในฝ่ามือของเชษฐาเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีดำสนิตลักษณะเหมือนจะเป็นคนโทรใส่น้ำลูกขนาดผลน้ำเต้าเล็กๆส่วนกลาง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 นี่มันเห็นจะเป็นคนยุคแล้วกำลังกับสมัยหินโดยหลักฐานของขวานที่เราพินพบเพราะมนุษย์รู้จักเครื่องปั้นดินเผาแล้วมีหนำซ้ำลักษณะของภาชนะตลอดจนลวดลายที่ปรากฏอยู่มันยังแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในยุคนั้นกงจักกับดอกบัวซะด้วยใชยถากก่าวขึ้นช้าๆในระหว่างที่อีกสามคนผัดเปลี่ยนกันพิจารณาดูด้วยอาการไข้ควนพิศวงล้นพ้น มาเรียฮอฟมันไม่สามารถจะลงความเห็นใดๆไ ด, ได้ทั้งสิ้นเพราะมันเป็นวัตถุที่หล่อนไม่มีความชำนาญแต่พอมาถึงมือนักมนุษยวิทยาภายหลังจากพยายามทดลองหักตลายอันเป็นรอยแตกด้านหนึ่งออกดูนะหล่อนก็บอกว่าคนโทน้ำหรือมิฉะนั้นก็เล่าไม่ก็เครื่องสำอางสมัยที่อารยธรรมของอินเดียแผ่เข้ามายัางดินแดนนี้แล้วบ้านเจ้าหรอหรือว่าหนองแส โยนกนครอะไรนั่นกลนประวัติศาสตร์และโบราณาคดีไม่สู้จะกระดิกหูเพราะตลอดเวลามาศึกษาแต่อาวุธและยุทธวิธีจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ถนัดแต่เรื่อ ง, ง ศ, าาศิงสารศาสตว์ถามออกมาออม อ, อมเสียงดารินแม้มริมฝีม ป, ปากนิดนึงตาหลีลงสั่นศรีรษะน้อยๆฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่ามันคงไกลกว่านั้นที่คุณเอ๋ออ้างมามันยังไม่นานมานี้แต่เครื่องใช้ชิ้นนี้ก่อนพุทธกาลยุค ข, ของเทพ พระเจ้าศาสนาพราหมณ์เธอดูจากอะไรชา ย, ยันถามเร็วตือจากอายุของเนื้อเครื่องดินเผาและจากลวดลายที่แกะสละักให้เห็นอยู่ประกอบกันฉันไม่กล้ากำหนดเวลาแน่นอนลงไปว่ามันนานมาแล้วเท่าไหร่ แต่คนเนว่าคงไม่ต่ำกว่า 4,000 ปีขึ้นไปดอกบัวหมายถึงชมพูทวีปกงจักรเป็นอาวุธของพระนารายณ์อันเป็นเทพเจ้าสำคัญองค์หนึ่งของรัฐธิพรามณ์แล้วตรงคอคุณโทนี่มีลายอะไรอยู่อีกอย่างหนึ่งซึ่งมันน่าจะบอกได้ชัดทีเดียวพิจารณาให้ดีๆสิมันเป็นลายอะไรพร้อมกับกล่าวหล่อนยื่นเศษแตกของชิ้นคนโทโบราณ น, นั้นไปให้ทุกคนดูเอ๊เอเอแะแตกคล้ายๆสวัสดิกะแฮะ ชัยยันค้างออกมาและเพื่อความแน่ใจดารินยื่นส่งไปให้มาเรียพิจารณาเพื่อขอความเห็นอีกครั้งแม่สาวตาโตอุทานออกมาสวัสติกะจริงๆด้วยถ้างั้นเป็นคนโทรของฮิตเลอร์แอบมีกองทัพสัมพันธมิตรตอนเบอร์ลินแตกมาหลบตัวซ่อนอยู่ที่นี่เองชัยยันร้องออกมาตามนิสัยไม่วายติดสนุกดารินมองหน้าแล้วหัวเราะฮืๆบ้าอย่าชักใบให้เรือเสียหน่อยหนะ่าสวัสติกะ ไม่ได้เป็นเครื่องหมายที่พวกนาซีทำขึ้นหากแต่มีมาเก่าแก่โบราณแล้วมันเป็นเครื่องหมายประจำเผ่าอารยันซึ่งแทนล้อเกวียนอันหมุนไปเบื้องหน้าหมายถึงความยิ่งใหญ่เจริญรุ่งเรืองพวกอารยันเข้ายึดครองแผ่นดินชมพูทวีปโดยกระจายลงมาทางทะเลสาบแคริเบียนเมื่อหลายพันปีมาแล้วลุกลานไล่ที่พวกดาวิเดียนอันเป็นพวกป่าเถื่อนเจ้าของแผ่นดินเดิมสถาปนาเผ่าของตนเองขึ้นเป็นใหญ่ซึ่งพวกนี้เป็นต้นตระกูลของพวกภาลตะในปัจจุบันนี้นำเอาล ทิและความรุ่งเรืองของตนเข้ามาแพร่ศา ส, สนาพราหมณ์เกิดขึ้นหลังจากที่อารยันเข้ามามีอำนาจอยู่แล้วคนโทรุลูกนี้มีลายสวัสดิกะติดอยู่ด้วยซึ่งหมายถึงอรารยธรรมของพวกอารยันนั่นเองซึ่งมันจะต้องไม่ต่ำกว่าสี่พันปีขึ้นไป เข้าเขาไม่มีใครเถียงเพราะไม่รู้จะเถียงได้ยังไงหรือยังไงผู้กองชา ย, ยานหันไปพูดกับพานใหญ่ห่างเสียงเย้าว้แต่ดารินไม่สนใจพินิจ ด, ดูรวดลายในคนโทรเก่าแก่โบราณ น, นั้นอย่างพินิจพิเคาะถี่ท่วน โบราณคดีในยุคที่มนุษย์มีความรุ่งเรืองอยู่แล้วฉันคิดว่าน้อยน่าจะวินิจฉัยได้ใกล้เคียงที่สุดเพราะเขาศึกษาเรื่องนี้มาโดยตรงมาเรียยอมรับอย่างเลื่อมใสและศรัทธาแต่ถึงอย่างไรมันก็คนละยุคกับขวานหินนี่และห่างไกลกันเหลือเกินทำไมมันมาอยู่ในถ้ำเดียวกันได้รับพินถามเปลยเปลยไม่สำคัญหรือมีอะไรค้านกันเลยในการที่เรามาพบเครื่องใช้ของคนต่างยุคไม่ว่ามันจะนานห่างกันสักเท่าไหร่ นักมนุษยวิทยาตอบเขาหน้าเต็มไปด้วยความกดคิดไข้ครวนขณะดิ่นี้ทุกคนแทบจะลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและสถานการณ์แวดล้อมรอบตัวสมดทสิ้นเพราะอารมณ์ตื่นเต้นต่อสิ่งที่พบใหม่ มนุษย์เกิดและตายหมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่สถานที่ที่มันเป็นแห่งเดิมอยู่เช่นไรก็เป็นเช่นนั้นหรือจะพูดให้ตรงก็คือสถานที่มีอายุยืนนานกว่าชีวิตอันแสนสั้นของคนเรานะักถ้ำนี้ยุคต้นประวัติศาสตร์เคยเป็นที่อยู่อาศัยหรือมิฉะนั้นก็เป็นแหล่งผ่านไปมาของคนสมัยหินมาก่อนหลักฐานของการเป็นอยู่ของคนในยุคนั้นจึงเหลือตกค้างให้เราเห็นเช่นขวานหินอันนี้แล้วต่อมาอีกหลายหมื่นหลายพันปีมนุษย์อีกยุคหนึ่งก็ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ส จผ่านมาก็ทิ้งหลักฐานเอาไว้อีกกี่รอบตายกี่รอบก็ไม่สามารถจะเดาได้แต่อย่างน้อยเราก็รู้ชัดแล้วว่าจากเคลื่อนใช้สองสิ่งที่ต่างสมัยกันว่ามันเคยเป็นถิ่นของมนุษย์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองสมัยแล้วหล่อนก็มองไปยังพี่ชายถามว่าพี่ใหญ่ไปได้มาจากตรงไหนละคะเนี่ยก็ใกล้ๆนี่แหละในซอกครูหาขวามือนั่นดูนี่อีกอย่างหนึ่งสิขาดคำเชิดาก็แบมืออีกข้างหนึ่งซึ่งยังควายหลังไว้แบกออกไปให้ทุกคนเห็น มันเป็นกระพวนโลหะอันขนาดเท่าตั ว, ตวหอยแคลงย่อมๆมีรอยผุ ก, ก่อนด้วยการเวลาแต่เม็ดโลหะและกที่ใส่อยู่ในตัวกระพวนยังกิ้งอยู่น้นเมื่อเขย่ามีเสียงกังวานเบาๆทั้งสองฝาของกระพวนซึ่งข้าประกบติดกันอยู่โดยมีรอยพลาแตกเป็นรูปหัวสิงลักษณะหน้าตาแปลกประหลาดกำลังสแยะเขียว ทุกคนผัดเปลี่ยนดูมันอย่างมืดมนนอกจากสันนิษฐานได้อย่างเดียวว่านั่นเป็นเครื่องประดับในยุคโลหะแล้วก็คิดไปถึงอดีตอันลี้ลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะมองเป็นภาพได้ยกเว้นดารินวราริศคนเดียวที่ดูมันอย่างมีความหมายที่สุดตาของหล่อนเป็นประกายแวววาวและคนอื่นๆก็รอฟังความเห็นของหลอ่อนเพราะไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าผู้เชี่ยวชาญชัดเลยค่ะพี่ใหญ่กระบวนอันนี้ยุคเดียวกับเครื่องดินเผานี่แหละ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 คิดว่าคงมีอีกมากนะแต่มันมืดเหลือเกินไม่กล้าเดินงมเข้าไปอีกอย่างหนึง่งภาระจำเป็นเฉพาะหน้าของเรามีจะมาเสียเวลาสารวจอะไรอยู่ไม่ได้หน้าที่ของเรามีอะไรอยู่บ้างทุกคนรู้ดีอยู่ทั้งหมดแล้ลึกถึงภาระหน้าที่เฉพาะหน้าขึ้นมาได้ตามที่เชิดถาพูดความกระตือรือร้นสนใจที่จะค้นคว้าสแสวงหาความจรงิงออกไปก็พันต้องชะงักงานลงเพียงแต่เท่านั้นอย่างน่าเสียดาย ขณะนั้นพวกพานพื้นเมืองสังเกตเห็นกลุ่มนายจ้างเข้ามายืนดูอะไรกันอยู่นานผิดปกติก็ขยับจะพากันเดินเข้ามาสมทบเชษฐาจินพยักหน้าชวนทุกคนให้กลับออกไปอย่างปาก่้มตามเดิมลงนั่งพักสูบบุรีกันคนละตัวไม่มีใครสนใจที่จะเก็บหลักฐานที่คนพบทั้งสามอย่างนั้นไว้นอกจากมาเรียคนเดียวซึ่งหล่อนขอจากเชษฐาและละพินเก็บติดตัวไว้ในย่ามหลัง ถ้ามีโอกาสกลับไปสู่โลกจเจริญได้ฉันจะส่งหลักฐานที่ค้นพบเหล่านี้เข้าตรวจสอบในห้องทดลองของสมาคมค้นคว้าวัตถุโบราณซึ่งจะช่วยให้เรารู้อายุของมันได้แน่นอนขึ้นอีกถึงอย่างไรมาเรียฮอฟมันก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งตามเผ่าพัานสายเลือดของพวกสีวิไลแล้วเช่นหล่อนซึ่งไม่ยอมมองผ่านอะไรไปซส ง, ง่ายๆนอกจากเพียงพยายามทดสอบค้นคว้าเพื่อให้เข้าถึงแก่นข้อเท็จจริงให้ได้ทดันใดนั้น ทุกคนก็เห็นระพินภัยวันลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วสีหน้าและอาการของจอมพานสแววสะดุดใจอะไรบางอย่างเขาเดินห่างกลุ่มพวกพ้องที่นั่งพักกันอยู่ปากทางเข้าของถ้ำลักษณะประหลาดนั้นออกไปหยุดยินอยู่กลางลานโลง่งแล้วเพ่งพิจารณาดูภูมิภาพไปรอบๆด้านอย่างพินิตพิเคาะในที่สุดก็หันมาจ้องทางปากถ้าและบริเวณภูเขาด้านบนอีกครั้งใชิดาดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่ตามทันในความคิด เดินตามเข้ามาหยุดยินอยู่ใกล้ๆเอ่ยขึ้นแผ่วเบาพยายามจะค้นหาร่องรอยให้ได้ใช่ไหมว่าตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งเมืองโบราณมาก่อนหรือเปล่าจอมทานยิ้มกรานๆเอานิ้วเสยปีกหมวกขึ้นตาสีเหล็กคู่นั้นเป็นประกายแววๆขณะที่กราดไปรอบๆครับแต่ผมมองไม่เห็นเขาเลยหรือบางทีการเวลามันอาจจะทำให้ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหลือร่องรอยอะไรให้เราจับสังเกตได้เป็นไปได้ไหมครับ สมมติว่าที่นี่อาจจะเคยเป็นอาณาจักรอะไรมาก่อนที่ถล่มร่มสูญหายไปแล้วในอดีตการอันไกลโพ้นแบบเดียวกับปอมเปอีหรือกรุงบาบิโลนโดยเกิดขึ้นเพราะแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหัวหน้าคณะกัดดินฝีปากแน่นจ้องใบหน้าอันชาญฉลาดไปด้วยไหวพริบ ป, ปฏิพานของพลานนําทางด้วยความศรัทธาเลื่อมใสและรักใคร่สนิทน่าคิดมากทีเดียวนราพินเสียดายที่เราไม่มีเวลาพอที่จะสํารวจมันได้ละเอียดกว่านี้ผมกําลังคิดถึงเสียงมโหระทึก เรื่องดนตรีประหลาดที่ลอยแววมาให้เราได้ยินเมื่อคือนนี้คิดถึงแผ่นภาพความฝันของคุณหญิงที่มองไปเห็นขบวนพยุหะยาตาของกษัตริย์องค์หนึ่งและคิดถึงถ้อยคำของแงา่สายที่อ้างถึงพันธุวดีนางพญาแห่งนครหลับและพิมพ์พูดเหมือนจะรำพึงกับตนเองเสียงของเขาดังเหมือนกระซิบตาทั้งคู่ดีลง บางทีขณะนี้เราอาจเหยียบอยู่บนเหนือดินแดนอาถรรพ์ประหลาดนี้แล้วก็ได้ใช่ฐาก็บางอื่นอาการขนลุกเรียวขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวผมยอมรับว่ายังไม่ได้เฉลียวใจคิดจนกระทั่งได้ยินคุณพูดขึ้นเดี๋ยวนี้ถามจริงๆเธอคุณเชื่อตามที่เมย์กับน้อยสันนิษฐานในหลักฐานสองสมอย่างที่เราค้นพบหรือเปล่า ทั้งเมกับคุณหญิงมีหลักวิชาการประกอบการสันนิษฐานครับผมเองก็แสดงความเห็นอย่างไรไม่ได้เพราะไม่มีภูมิในเรื่องนี้เลยไม่มีศาสตร์แขนงใดในโลกนี้จะรีรับและมืดมนเท่ากับวิชาโบราณศาสตร์เพราะมันเป็นเรื่องของการมองย้อนหลังไปในอดีตอันไม่มีที่สิ้นสุดใครจะสามารถบอกได้ว่าโลกอันเป็นดาวนพก ร, ะ, ระดูกดวงหนึง่งที่เราอาศัยอยู่นี้มันเริ่มเย็นลงและมีสิ่งอันมีชีวิตเกิดขึ้น เมื่อกี่ล้านล้านปีมาแล้วมนุษย์และสัตว์เกิดขึ้นมาในโลกตลอดจนสูญพันธุ์หมดสิ้นไปแล้วหวนมามีวิวัฒนาการเริ่มต้นกันขึ้นใหม่จี่ยุคกันบ้างแล้วตามกฎแห่งการหมุนเวียนเกิดดับในยุคของเราที่คิดกันเอาเองว่าจเจริญขีดจุดจนถึงขั้นจะก้าวไปสู่โลกอื่นสมมุติว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ระเบิดยูเครียตที่ร้ายแรงที่สุดอันมนุษย์สร้างขึ้นเองมันเกิดระเบิดขึ้น เนื่องมาจากสงครามหรืออะไรก็ตามหรือมิฉะนั้นดาวหางดวงที่แรงริบร้ายกาศมันโครจรครบรอบเฉียดใกล้โลกเราเข้ามามนุษย์สัตว์และพืชก็คงจะสูญสิ้นพืชพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้วต่อไปเมื่อหมดฤทธิ์เดชแห่งการทำลายล้างนั้นซึ่งอาจจะเป็นหมื่นแสนปีต่อมาสัตว์โลกก็เริ่มเกิดขึ้นมาอีกค่อยๆตั้งต้นวิวัฒนาการต่อไป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 คุณหญิงสันนิธานตามหลักเกณฑ์ว่าลูกกระพวนและเครื่องปั้นดินเผานั่นอยู่ในราว 4,000 ปีเศษผมยังสงสัยว่ามันจะเป็น 4,000 ปีเศษของรอบเกิดที่เท่าใดของมนุษยชาติ เพราะาหาจะคิดว่ามันเป็นรอบที่พวกเราเกิดมาและตั้งต้นนับสักราชจาดประ ว, วัติศาสตร์กันนี่เราควรจะแลเห็นหลักฐานร่องรอยของการเคยเป็นอาณาจักรบ้านเมืองของแถบนี้มาก่อนหรือไม่ก็บริเวณใกล้เคียงเพราะแค่ 4,000 ปีมันไม่นานจนเกินไปนักขนาดพีระมิดยังอยู่ให้เห็นได้คูเมืองโบราณที่เก่าแก่ไปกว่า น, นี้ก็ยังพอให้คนพบ ผมอยากจะเดาเอาว่ามันจะิ้องนานกว่านั้นลิบลับทีเดียวย้อนหลังไปยังรอบวิวัฒนาการครั้งก่อนก่อนไกลโพ้นและเจ้าสิ่งเหล่านี้เดิมทีคงจะถูกฝังจมอยู่ใต้พิภพอันลึกล้ำไม่ใช่มาวางตั้งอยู่บนนี้ตามรูปรอยเดิมของมัน ทีนี้ปรากฏการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดดันปะทุมันให้ผุดขึ้นมาสู่ผิวโลกจากการที่ถูกฝังจมอยู่นานนมขณะที่เราสามารถสันนิษฐานว่ามันเกิดจากอำนาจภูเขาไฟเราก็ยังมองไม่เห็นหลักฐานเลยเดี๋ยวนี้ว่ามีภูเขาไฟอยู่บริเวณนี้แห่งไหนการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกโดยอาศัยการเวลามันทําให้อะไรเกิดขึ้นและอะไรหายไปได้ใครจะกล้า ย, ยืนยันว่าหิมาลัยทั้งเทือกจะไม่ถูกกดจมอยู่ใต้ก้นสมุดใน กโกดล้านปีข้างหน้าเท่าเท่ากับที่ทะเลทรายซาราก็จะไม่กลายเป็นทะเลน้ำแข็งไปในระยะเดียวกันนายจ้างผู้ส่งสักเอื่อมือมาตกไหลจอมผานเบาๆทฤษฎีของคุณมีเหตุผลชวนคิดดีเหมือนกันคุณไม่เชื่อใช่ไหมว่าสิ่งที่คนเราค้นพบเหล่านั้นมันจะถูกทิ้งหรือวางในอยู่รูปรอเดิมของมันรัพินสันศรษะผมไม่เชื่อครับเหตุผลของผมก็คือ สถานที่อันเป็นปากถ้ำซึ่งเราค้นพบสิ่งของเหล่านี้ไม่ใช่สถานที่อันควรจะเป็นแหล่งที่มาของสิ่งเหล่านั้นซึ่งนำมาถูกทิ้งหรือเก็บไว้เลยเพราะมันไม่มีรูปรอยให้เห็นว่าเป็นเคหะบ้านเรือนหรือทิ้นที่อยู่ไม่นำซ้ำยังมีของอยู่ถึงสองยุคในบริเวณเดียวกันคือยุคหินและยุคโลหะ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 เชิดฐาพยักหน้าช้าๆตาวาวไปด้วยความคิดแล้วบุ้ยปากไปยังปากถ้ำคุณคิดว่าถ้าเราเดินเข้าไปในถ้ำนั่นมันจะนำเราไปถึงไหนและพบอะไรบ้างผมไม่กล้าเดาแต่เชื่อว่าอาจจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมแน่นอนบางทีคำตอบในปริศนาลึกลับทั้งมวลที่พวกเราเผชิญอยู่ในขณะนี้อาจจะอยู่ในนั้นก็ได้ถ้าเสียงของจอมพานแหบเหืไปเช่นนั้นยักไหลขึ้นนิดนึงถ้า ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ได้ตลอดระยะเวลาแห่งการล่วงล้ำเข้าไปน่ะสิครับทั้งสองชายคนหนึ่งในจ้างอีกคนหนึ่งพานนำทางยืนสบตากันนิ่งอยู่ชั่วขณะระยะแห่งการรู้จักมักคุ้นบันแสนสั้นถ้าจะนับตามการเวลาแต่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาทั้งสองมีความรู้สึกเป็นหนึ่งคบหาร่วมเป็นร่วมตายกันมาตลอดชีวิตครั้นแล้วฝ่ายสงศักดิ์ก็ยิ้มให้จับแขนไว้ปีบแน่นกระชับ ผมตล่อให้คุณตัดสินใจรพินสําหรับการเดินทางอีกสองสามชั่วโมงก่อนข้ามวันนี้เราต้องหันมาพิจารณาถึงว่าถ้าเรามุ่งหน้ามานี่โดยถือหลักอะไรนั่นเป็นจุดสําคัญที่สุดของการรักษาเป้าหมายเรากําลังติดตามรอยของแง้ทายและไอ้พวกกองก่อยตราบใดก็ตามที่มันไม่ได้นําเราเข้าไปในถ้านี้ถ้าเราเข้าไปในถ้าก็หมายถึงว่าเราทิ้งรอยของมันหันเหไปยังที่อื่นซึ่งเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าอะไรเป็นจุดหมายต่อไป ถ้างั้นเราสแสวงหารอยของผีกองกอยกับเงาทรายต่อไปงั้นหรือก็ควรจะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่หรือครับ5นาทีต่อจากนั้นขบวนทั้งหมดก็ผาออกจากบริเวณหน้าถ้าเลาะเรียบชายเนินฝากความร้อนระอุต่อไปแนวทางเดินนั้นวเวียนเลียบเหนือชายทุ่งแฝกอยู่ตลอดเวลาบางขณะก็อ้อมหลีกขึ้นสูงและบางขณะก็วนต่ําชิดขอบทุ่งแล้วมิชาก็ผ่านไปในดงแดงอีกครั้ง บริเวณโคกอันสูงสูงต่ำต่ำลูกแล้วลูกเล่าสุดที่จะกําหนดนับหรือประมาณได้จอมผานผู้นําอยู่เบื้องหน้าพยายามแสวงหาเขาเงื่อนร่องรอยของพวกกองกอยอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในการหลีกทางเสียจากนารกทะเลแปะอันร้อนแรงปานจะเผาให้ดับจิตไปนั้นตลอดเวลาที่ค้นหาหนทางใหม่ก่อนค่านี้เขาจะพบหลักฐานอะไรที่มันทำทิ้งไว้ให้เห็นอีกบ้างหรือไม่บางทีอาจล้มเหลวและต้องไปเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้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 จนถึงตัวกันได้โดยเร็วเอ๊ะกลิ่นคล้ายคลควันไฟแฮะชา ย, ยร้องออกมาดังๆและบัด น, นั้นเองทุกคนก็ได้กลิ่นอะไรชนิดหนึ่งลอยมาสัมผัสโสดประสาท พ, พร้อมกันหมดมันเป็นกลิ่นควันลมโชยมาจากยอดเนินเบื้องบนพัดเอาความร้อน ผิดไปจากไอแดดผ่านมาปะทะผิวกายเหมือนกับว่ามีใครมาส่งไฟกองใหญ่ไว้เหนือลมใครก่อกองไฟอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้มาเรียสูดลมหายใจหนักๆ ห, หลุดปากเปยออกมาอีกคนหนึ่งด้วยอาการตื่นงง รับผินขมวดคิ้วย่นลืมตาโพงและทันทีโดยไม่ได้เอ่ยทำใดกับใครทั้งสิ้นพานใหญ่วิ่งไต่เนินเบื้องหน้าขึ้นไปโดยเร็วพอถึงยอดเนินทั้งหมดก็เห็นเขายืนงันอยู่กับที่หันหน้าจ้องไปทางฝั่งตรงข้ามหมดอาการเคลื่อนไหวทั้งมวลลงทันทีเหมือนถูกอำนาจสะกดบุญคำขยินและพวกพานพื้นเมืองทั้งหมดซึ่งดูเหมือนจะไหวทันอยู่ก่อนแล้วแล่นตามหลังขึ้นไปเป็นพวนทิ้งกลุ่มนายจ้างทั้งสีไว้เบื้องหลัง ภาพที่เห็นต่อมาก็คือพวกพานพื้นเมืองซึ่งบัดนี้ไปยืนรวมกลุ่มอยู่กับกระพินกระโดดโลดเต้นอย่างตื่นตะนกหันหน้าลงมาป้องปากแต่เบงเสียงบอกแซ่สนันลงมาฟั่งแทบไม่ได้สับว่านายบนไลัแล้วไฟป่ามันล้อมอยู่ข้างหน้าเรา ดารินบราริดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เดียงสา ว, ว่าไฟป่าที่พวกนั้นตะโกนเสียงหลงบอกออกมามันจะมีความหมายร้ายกาจเช่นไรแต่เชษฐาชัยยันละมาเรียมีความรู้สึกเหมือนจะมอดดับลงไปนัดนั้นสะบ้าหัวเข่าอ่อนไปหมด ขณะจิตต่อมานั่นเองก่อนที่ทั้งสี่คนจะตื่นจากตะลึงละอองขี้เท่าและม่านควันก็ปลิวว่อนพ้นยอดเนินตลบกบกวนมาให้เห็นสคนพุ่งตามขึ้นไปบนยอดเนินที่ระพินกับพานพื้นเมืองจับกลุ่มกันอยู่ก่อนแล้วชนิดลืมหายใจดาวเรนเป็นคนสุดท้ายที่ตามขึ้นมาล้าหลังสุดเบื้องล่างแลเห็นชัดจากระดับยอดเนินทั้งซีกซ้ายมืออันเป็นทุ่งแฝกและป่าแดงทางด้านขวาบัดนี้แวดล้อมไปด้วยม่านควันหนาทึบ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 ล้วนไฟที่กําลังลุกลามกินป่าอันแห้งผักล้อมเข้ามาทั้งสิ้นไม่มีบริเวณไหนว่างอยู่เลยและยามเมื่อขึ้นมายืนดูขณะ น, นี้สามารถได้ยินเสียงคํารามของพระเพิงซึ่งกําลังเผาผ่านทุ่งหญ้าอยู่ชัดเจนเสียงไม้ตะทุแตกเสียงโค่นหักและพายุซึ่งเริ่มจะ ก, ก่อเขาขึ้นจากอํานาจไฟป่านั้นกลุ่มควันที่ปลิวพัดผ่านก็เริ่มหนาทึบขึ้นอย่างรวดเร็วจนหลายคนสํารักเปลวอันร้อนกล้าพัดตะูกตามลมเข้ามาสัมผัสอยู่เป็นระยะ ท่ามกลางความเงียบเหมือนกับว่าปากของทุกคนจะมีตะปูมาตึงไว้เสียงแหบของจอมพานดังปลุกตะลึงทุกคนมาว่าขอกล้องสองทางกายหน่อยครับเร็วชา ย, ยันรีบลนลานหยิบกล้องสองทางกายให้แล้วผินยกขึ้นสองกวาดดูรอบๆเหนื่อของเขาไหลพ่างพลูทุกขุมขนเวลาเดียวกันเชิดาก็เอากล้องของดารินมาส่องสำรวจด้วยอีกคนหนึ่งกินเป็นรูปครึ่งวงกลมล้อมดักหน้าเราไว้หมดแล้วกำลังลุกลามเข้ามาเป็นลำดับ ทิวเขาใหญ่หลังทุ่งทั้งสองด้านน้นก็เป็นทะเลเพลิงไปหมดแล้วจอมพานพึ้นพำออกมาส่งกล้องขึ้นไปให้ชา ย, ยันดูบ้างตนเองยืนนิ่งอยู่กับที่เปิดตาจ้องเหมือนจะยังตัดสินใจอย่างไรไม่ได้อยู่เช่นนั้นกะถูกไหมระยะห่างจากเราสักเท่าไหร่เชษฐาถามเร็วปือประมาณกิโลครึ่งครับ และถ้าลามเข้ามาในรัศมีห่างเพียง50เมตรนั้นเราจะอยู่ไม่ได้กระแสลมพัดมาทางที่เราอยู่นี้ด้วยผมยังเดาไม่ถูกเหมือนกันว่ารัศมีมันกินกว้างไปถึงไหนบ้างแต่เท่าที่เราเห็นอยู่นี่มันเป็นทะเลไฟไปหมดแล้วไม่ลามมาแล้วในอนาบริเวณหมื่นหมื่นไร่อากาศที่เราพบว่าร้อนผิดปกตินับตั้งแต่ออกเดินทางเช้าวันนี้เป็นต้นมาอาจจะเป็นเพราะไฟไหม้ป่าก็ได้เสียท่าเหลือเกินที่เรามารู้เอาอย่างชนิดประจันหน้าจุนตัวอย่างที่สุด แต่สินใจเร็วเถอละพินจะเอาอยัางไงดีมันใกล้เรามาทุกขณะแล้วมาเรียหลูปตาก อ, อกมาด้วยเสียงสำรักในตาของหล่อนเหลือกลาน จอมพานกับดื่มฟีบปากแน่นเต็มไปด้วยอาการกระสับกระส่ายหันไปสบตาทุกคนซึ่งบัดนี้แลจับมาที่เขาตาเดียวรัศมีของเพลเพิงทางด้านที่เป็นป่าไม้ยืนต้นขยายเข้ามาไม่เร็วนะักแต่ที่เป็นบริเวณทุ่งแฝกตายซ่าลูกลามกินแดนเข้ามาอย่างรวดเร็วมากเพราะแฝกเบาวกว่าและเป็นเชื้อเพลิงอย่างวิเศษสุดเป็นสื่อให้ติดไฟป่าบริเวณใกล้เคียงอื่นๆได้ง่ายได้ขึ้นอีกและไม่ผิดอะไรกับชอบไฟเนียน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 เสี้ยววินาทีแห่งการปรองใจนั่นเองจอมพานก็ตะโกนกล้องออกมาแล้วโบกมือไล่พวกพานพื้นเมืองที่วิ่งลงเนินตรงไปยังสัมภาระที่วางทิ้งไว้นายจ้างทั้งสี่ไม่ยอมให้เวลาผ่านไปแม้แต่พริบตาเดียวล้องเตือนกันแล้วแล่นตามพวกลูกหาบลงมาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่กำลังวังชาจะอำนวยให้ได้ รักพินเป็นคนสุดท้ายที่ห่อลงมาถึงเขาบงการให้พวกนั้นหอบของเรื่องฝีเท้าย้อนกลับไปทางเก่าโดยมีกลุ่มนายจ้างครึ่งวิ่งครึ่งเดินห้อมล้อมมาตนเองหน่วงเดินอยู่ข้างหลังสังเกตทางลมไปพางอย่างร้อนใจพอถึงด่านใหญ่แยกตัดขึ้นสู่ยอดเขาอีกลูกพานใหญ่ก็ตะโกนบอกปุลคําซึ่งหาบของคู่ขยินนำลิ้วไปเบื้องหน้าราวกับเครื่องยนต์ให้แยกขึ้นซ้ายมือ นั่นมันเป็นหนทางที่ยังไม่ได้ผ่านกันมาก่อนแต่เขาก็เชื่อแน่ว่าการหลบหนีพะเพิงที่กำลังลามจากป่าทุ่งเบื้องล่างไล่หลังขึ้นมานั้นสถานที่ปลอดภัยควรจะหนีขึ้นสูงไม่ใช่วกลงต่ำซึ่งเป็นบริเวณที่น่าจะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นหมดแล้ว กระบวน<ม>อันสมสารกันมาอย่างลนลานก็แปลกทิศ ต, ตามการโบกมือของจอมพานทันทีทุกคนรวบรวม ก, กำลังกัดฟันไต่ขึ้นไปบนไหล่เขาระดับสูงกว่าที่เคยเลาะเลียผ่านกันมาแล้วแต่ไม่กี่อึดใจนั่นเองพวกที่ล่วงหน้าขึ้นไปหยุดยืนอยู่บนตะพักชั้นแรกของเชิงก็แทบพงะหลังและสมีอันร้อนจ้าและกลิ่นควันโชยตลบสวนทางลงมาจากยอดเขาลูกนั้นไายมันไม่ลงมาจากยอดเขาโน้นด้วย เสียงบุญคาตะโกนบอกมาสุดเสียงหมุนคว้างเพราะวา่าผววังหาทิศทางไม่ถูกอยู่ตรงนั้นเองกลุ่มนายจ้างซึ่งกําลังไต่ตามหลังกันขึ้นไปจึงหยุดชะงักกระสับกระสายกันอยู่ครึ่งทางนั้นรัพินวิ่งสวนขึ้นไปโดยเร็วพอพ้นเหลี่ยมผาใหญ่ที่ชิงเงื่อมบังอยู่เขาก็ตกใจแทบสิ้นสติจิงดังว่าตลอดแนวลาดเป็นมุม45องศาของเขาลูกที่คิดจะบายหน้าขึ้นไปพึ่งหลบนั้นไฟโกกรกาลกําลังกินต้นไม้และป่าหญ้าลุกไล่ต่ำลงมา ระยะมองเห็นกันอยู่ไม่เกิน500เมตรนี่เองและสูงขึ้นไปบนสันเขานั้นเล่าก็ชดช่วงตลบอบอวนไปด้วยหมอกควันหมดแล้วทั้งสิ้นดูประหนึ่งว่าป่าทุ่งและขุนเขาทุกตารางนิ้วจะถูกจุดขึ้นด้วยไฟบาลัยกันคงเหลือบริเวณที่ยังไม่ถูกเผาผ่านเพียงส่วนน้อยซึ่งก็กำลังถูกบีบล้อมให้เข้ามาบรรจบกันทุกขณะและบัดนี้ไม่มีใครใจเย็นอยู่ได้นอกจากก้องกุ่มกระสับกระสายกันไปหมดทุกคน เช่ถาเพ่นเข้ามาถึงร่างของจอมพานซึ่งยืนจ้องนิ่งอยู่กระชากแขนโดยแรงตะโกนกอกช่องหูฝ่าเสียงลูกหาบที่แหกตา ก, กันโวยวายจนฟังไม่ได้สับขนาดนี้อย่าหมดสติระพินมันอาจจะมีทางที่ว่างอยู่และเราจะต้องหนีออกทางด้านนั้นให้เร็วที่สุดเสียงย้อนทางเดินที่เราผ่านมาแล้วดีกว่าบนเขานี่ไปไม่ได้แล้ว เสียงของหัวหน้าคณะเช่นนั้นเองปลุกเขาให้ตื่นจากภาวะตะลึงงานอีกครั้งร้วผินต้อนพวกลูกหาถอยลู่ลงมาอย่างไม่เป็นขบวนลมลุกคลุกคลานกันลงมาตามหนทางลาดนั้นจนถึงทางแยกเดิมกระแสลมที่เกิดขึ้นเพราะบริเวณลุกไม้อันกว้างใหญ่กันโชคมาถึงตัวแล้วและกำลังปั่นป่วนกลายเป็นพายุพการยอดเต็งและป่าหญ้าแห้งบางแห่งสะบัดไหวสั่นพลิ้วดากรอบเกรียมเพราะไอรอนที่โชยมาถึง คันแล้วอยู่ไม่อยู่ก็ติดไฟลุกฮือขึ้นได้เองทั้งๆ ท, ท, ที่เปลวไฟจากแนวไฟซึ่งกำลังไล่ลามเข้ามานั้นยังไม่ทันจะแลบถึงระเดียวยอดนั้นลุกระเดียวยอดโน้นสว่างพึบประทุลัน่นพงมพางเปี้ยะระรอบตัวไปหมดราวกับมีใต้ที่มองไม่เห็นแย่ลนเข้ามา ดาวรินคนเดียวเท่านั้นที่ขณะนี้หล่อนพูดคำใดออกมาไม่ได้เลยวิ่งตามพักพวกไปพางเหลียวซ้ายแลขวาหล่อนมองเห็นปรากฏการณ์ของพระเพิงที่ลุกติดยอดไม้สองฝากทางที่ผ่านไปเหมือนตกอยู่ในห่วงสันด้าย